โอ ก, กาสครูบัอจารย์เพื่นพอนสาธนิกเจริญพรญาติโยมทุกท่านไม่นึกนะว่าพวกเราสนใจมาเยอะขนาดนี้ขึ้นมาก็สูงเหมือนกันคนไม่มีบุญนะเกิดมากับศาสน า, าพุทธนะก็ไม่สนใจหรอกต้องมีบุญมีบารมีพอถึงจะสนใจ พวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเกิดมามีสติปัญญามีร่างกายแข็งแรงพอสมควรยังสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมการยกระดับคุณภาพความเป็นมนุษย์ของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆธรรมะนั้นอยู่ในบ้านในเมืองเรามานานคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยจนกระทั่งมองไม่เห็นความสำคัญ มีคนส่วนน้อยที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมคนเข้าวัดส่วนใหญ่ก็ไปทาบุญเท่านั้นที่จะสนใจถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำยังไงเราจะเอาธรรมะเข้ามาสู่หัวใจของเราได้มีไม่มากการที่พวกเราสนใจได้ขนาดนี้หลวงพ่อก็อนุโมทนา ด, ด้วยทุกคนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของกลาง ท่านประธานไว้ให้ทุกๆคนแหละแต่คนส่วนน้อยที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องทําทานรักษาศีลไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรนี้ก็เป็นของดีแต่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เราเอามาสั่งสอนพวกเรานะมันถึงขั้นการเจริญปัญญาเงื้นพวกเราต้องพยายามพัฒนาจิตใจให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาให้ได้จริงๆถ้าใจเรามีปัญญาอย่างแท้จริงใจมันจะพ้นจากทุกข์จะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่คนไม่มีศีลไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญาหรอก แต่มีศีลมีสมาธิแค่นั้นไม่พอต้องรู้วิธีที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นพวกเราขั้นแรกเลยพวกเราต้องตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าจำเป็นมากนะทุกวันนี้คนละเลยศีลไปหมดแล้วเห็นว่ามีแต่คนโง่ๆหรอกไปถือศีลก็ไม่รู้หรอกว่าการถือศีล น, นั้นมีคุณค่าขนาดไหน คนที่มันมีศีลในจิตในใจของเรานะจิตใจมันสงบง่ายมีความสุขมีความสงบคนไม่มีศีลจิตใจเล่าร้อนหาความสุขความสงบไม่ได้ยังเบื้องต้นพวกเราอย่างน้อยเราต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ถ้าเรามีศีลห้าแล้วเนี่ยใจเราสบายใจเราสงบง่ายอย่างคนคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทําร้ายคนอื่นจิตใจไม่สงบหรอก คนไม่คิดจะทำร้ายใครนะคนมีความเมตตาก ร, รุณาในใจไม่คิดทำร้ายใครนะจิตใจก็มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองคนอยากขโมยเขาจิตใจไม่สงบคนอยากประพื่ผิดในการมจิตใจไม่สงบวุ่นวายเราไม่รักใครขโมยใครรู้จักเสียสละรู้จักให้ด้วยซ้ำไปนะยิ่งมีความสุขใหญ่เราซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเรา ก็สบายมีความสุขมีความสงบบ้านเราก็ร่มเย็นนะลูกหลานเราก็มีความสุขถ้าผิดศีลผิดธรรมนะบ้านก็ร้าร้อนลูกหลานไม่มีความสุขงั้นการที่เรามีศีลนะจะทำให้เรามีความสุขมีความสงบคนไม่โกหกนะคนพูดความจริงจิตใจสบายคนโกหกไม่สบายต้องคอยจาว่าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยพูดมันไม่เหมือนเดิมเขาจับได้ งนเบื้องต้นนะพวกเราพยายามรักษาศีลนาไว้นะศีลข้อห้าเราก็อย่าไปกินเหล้าเมายายามมีสติให้มากๆ ก, กินเหล้าเมายามากๆเสียสติจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่สงบนี่พอพวกเรามีศีลแล้วเราก็มาพัฒนาต่อไปมาพัฒนาจิตใจให้มันมีสมาธิขึ้นมารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทาสมาธิ จิตใจก็ยังพัฒนาไม่พอการที่เรามีศีลนั้นมันทำให้กายให้วาจาของเราเรียบร้อยการฝึกสมาธินั้นทำให้จิตใจของเราเรียบร้อยมีความสุขมีความสงบศีล น, นช่วยรักษากายรักษาวาจาไม่ให้เกลียกละล้๊าานไกลสมาธิถ้าเราฝึกไปจิตใจเราก็สงบสบายเป็นการจัดระเบียบจิตใจศีลเป็นเรื่องการจัดระเบียบกายจัดระเบียบวาจา ให้เรียบร้อยนี่สมาธินัน้นมันมีสองชนิดพวกเราต้องเรียนเหมือนกันต้องฟังไว้ให้ดีส่วนใหญ่ที่เข้าวัดกันก็บางทีก็ไปนั่งสมาธิแยกไม่ออกว่าสมาธิมันมีสองแบบสมาธิแบบแรกเนี่ยทําไปเพื่อให้จิตใจสงบสบายอยู่อย่างเดียวนิ่งๆสมาธิชนิดสงบเนี่ยเอาไว้พักผ่อน เวลาจิตใจของเราวุ่นวายเล่าร้อนเหน็ดเหนื่อยทำสมาธิชนิดสงบจิตใจได้พักผ่อนสบายมีความสุขหลวงพ่อก็หัดสมาธิชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกรู้ลมหายใจหายใจไปแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมีความสุขมีความสงบแต่มันไม่เกิดปัญญาสมาธิอีกชนิดหนึ่ง นะเป็นสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญามันไม่ใช่แค่สงบมันเป็นความตั้งมั่นของจิตเป็นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของคนในโลกนะหรือของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันลืมตัวเองตลอดเวลามันหนีไปคิดตลอดคิดไปอดีตคิดไปอนาคตมันลืมปัจจุบันลืมตัวเองเราต้องมาฝึกจิตใจให้มันอยู่กับตัวเองอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะคอยรู้สึกตัว พูดง่ายๆก็คือเป็นสมาธิที่ฝึกแล้วก็รู้สึกตัวใจไม่เคลอบเคลิม้มไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบ น, ะนั่งพุโทโธพุโทโธนั่งหายใจอะไรเงี้ยสงบเฉยๆหรือดูท้องพองยุบดูไปเรื่อยๆจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับท้องก็ได้ความสงบก็สงบเฉยอยู่อย่างนั้นมันต้องมาพัฒนาขึ้นมาให้เกิดความตั้งมั่นของจิตปกติจิตของเราจะหนีไปตลอดเวลา หนีไปดูหนีไปฟังหนีวิคิดหนีวิคิดเนี่ยมีมากที่สุดจิตมันจะหนีไปคิดทั้งวันคิดไปอดีตคิดไปะนาะก็ตื่นมาก็เริ่มคิดไปแล้ะเราไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันได้สมาธิชนิดที่สองเนี่ยมันจะฝึกขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันจิตของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง ตรงที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นจุดที่จะแตกหักเลยว่าเราจะทําวิปัสสนากรรมฐานเราจะเดินปัญญาได้หรือไม่ได้ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้จริงๆเพราะวิปัสสนากรรมฐานนั้นทําไปเป็นการเจริญปัญญาปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นต้องเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น ในทางตำร า, าทางปริยัตเนี่ยคำว่าสมาธิเขาแปลว่าความตั้งมั่นแต่พวกเราชอบมักง่ายไปแปลสมาธิว่าความสงบคนละตัวกันนะเราต้องมาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นจิตใจที่ตั้งมั่นคือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อพยายามฝึกตอนเด็กๆนะฝึกได้แต่สมาธิสงบต่อมาโตขึ้นมานะเจอครูบาอาจารย์ เขาวัดไปท่านก็พูดกับเขาว่ามีจิตผู้รู้หลวงปู่ดูลพูดบอกว่าไม่ให้เอาจิตออกนอกะไม่ให้ส่งจิตออกนอกจิตที่ส่ออกนอกก็คือจิตที่มันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดมันลืมตัวเองจิตที่ไม่ออกนอกก็คือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ยันหลวงพ่อก็มาฝึกพยายามให้จิตนั้นรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งบางทีนะักครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมที่ทํามผาปล่อง เวลาไปกราบท่านท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อไม่เคยบอกท่านท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ให้ฉายาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือเรามีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เมื่อเราฝึกมันต้องมีวิธีฝึกวิธีฝึกเนี่ยมันจะต่างกับการที่จะฝึกให้จิตสงบการจะให้จิตสงบนั้นให้เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียว จิตไม่ไปฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นจิตก็สงบเช่นบางคนมีความสุขที่จะท่องพุทโธพุทโธพุทโธมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตจะไม่ฟุ้งไปที่อื่นจะสงบอยู่กับพุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจรู้ลมหาย ใ, ใ, ใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจไปเรื่อยหายใจไปรู้สึกตัวนะหายใจสบายจิตใจสงบอยู่กับลมหายใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นก็ได้ความสงบขึ้นมา คน ไ, ไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุข้็ดูท้องพองยุบไปจิตใจมันก็สงบไม่หนีไปที่อื่นการที่จะฝึกให้จิตสงบนั้นฝึกโดยการรู้จักเลือกอารมณ์เราต้องดูว่าตัวเราเองนั้นอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นบ่อยๆอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธไป จิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นเพราะจิตมันพอใจกับพุโทโธซะแล้วมันก็ไม่ไปหาอารมณ์อื่นคนไหนหายใจเข้าหายใจออกรูก้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจไปจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นนี่เคล็ดลับของการทําความสงบนะการทําสมสถะเลือกอารมณ์ต้องดูของตัวเราเองเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นบ่อยๆจิตใจไม่หนีไปหาอารมณ์อย่างอื่น อันนี้แหละเราได้สมถ t กรรมฐานได้ฝึกยังไงจะให้จิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนั้นมันตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันคือจิตที่ไหลไปมันหลงไปมันไหลไปตลอดเวลาหลวงปู่ ด, ดูเรียกว่าจิตออกนอกเราก็หากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งนะเบื้องต้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งก่อน คนไหนเคยพุทโธแล้วสบายใจนะก็พุทโธต่อไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบเปลี่ยนนี้เดียวจากพุทโธให้จิตสงบนะมาเป็นพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโทรนะจิตไปเพ่งนิ่งอยู่เฉยเฉยก็รู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปหลงไปคิดเคลื่อนไปเพ่ง ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้คนไหนเคยรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะแล้วก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปแต่ไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตไปอยู่กับลมหายใจถ้ารู้แล้วให้จิตไปอยู่กับลมหายใจเราได้สมถกรรมฐานได้ความสงบเฉยๆเรามาปรับมิดนิดหน่อยนะ เราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ <van fucking> ่งใส่ลมหายใจเราร sure, ู้ทันจิตหนีไปคิดเราก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้หรือหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้เนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันเคลื่อนไปคิดเราก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนี้ได้แ้วว่าจิตมันเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อน จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครถนัดดูท้องพองยุบเคยดูท้องพองยุบแล้วจิตไปสงบอยู่กับท้องก็ เ, เปลี่ยนนิดเดียวดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันคนไหนถนัดเดินจงกรมแนละ้วก็เดินจงกรมไปจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่กับเท้าก็รู้ทันคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป การที่เราคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปนั่นแหละจะทำให้จิตสงบตั้งมั่นไม่ใช่สงบเฉยเฉยสงบเฉยเฉยนี่มันจะไลหลไปรวมอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันนี้มันจะสงบด้วยมันจะตั้งมั่นด้วยจะจิตมันจะถอนตัวออกจากโลกของความคิดเมือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้พวกเราต้องฝึกให้ได้นะถ้าพวกเราไม่สามารถจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะเรายังทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จริงหรอก ถึงจะไป น, นั่งคิดพิจารณากายเว็ปฏิกูลเป็นอาสุภาษอะไรเงี้มันไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหรอกวิปัสสนากรรมฐานนะเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์เราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต่อเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางถ้าจิตเรายังหลงอยู่ในโลกของความคิด เราจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันจะเพ่งกายเพ่งใจเฉยๆแต่จะไม่เห็นความจริงของกายของใจคือไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกงี้เรามาต้องมาฝึกนะให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ก่อนตัวเนี้เป็นจุดที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มักผลนนิพพานหรือไม่ได้ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชาตินี้เรายังไม่ได้มากฝันิพพานแน่นอน แต่ถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันจิตเราอยู่กับตัวเราเองทั้งวันทั้งคืนโอกาสที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจก็เป็นไปได้และจิตมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนดูมันจะเห็นจิตใจทำงานจิตเป็นคนดูเช่นจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์มีความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้ มีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้มีกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเกิดฟุ้งซ่านเกิดหดหงิดขึ้นมาจิตมันก็เป็นแค่คนรู้แล้วต้องฝึกจกนจิตเป็นคนรู้ให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมัยก่อนสามสิบปีก่อนนีถ้าเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์เข้าไปวัดไหนวัดไหนแล้วท่านจะพูดคําว่าจิตผู้รู้ผู้รู้อยู่เรื่อยๆหลังๆเนี่ยคาว่าผู้รู้นี่มันหายไป ส่วนมากเข้าไปที่ไหนก็สอนแต่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบแล้วก็เกิดนิมิตเกิดอะไรอย่างนี้ก็ชอบกันก็สนุกดีมีนิมิตนะแต่มันไม่ล้างกิเล็ดหรอกแล้วเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเราหนีไปคิดทั้งวันอย่าปล่อยมันไปคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่เรื่อยพอทำได้ไหมตรงนี้ลองทำนะถ้าเราคนไหนทำได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้มากได้ผลในชีวิตนี้ก็เป็นไปได้ละ แต่ถ้าใจเราล่องรอยสเปซ ส, สป่าไปทั้งวันนะหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปด้วยมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเมื่อแต่คิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องนี้โอกาสที่จะเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นใจรักษของกายของใจไม่ไม่ ม, มีถ้าเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักษณได้นะเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ตัวนี้ตัวสําคัญนะเงินขั้นแรกเลยเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกมันมีสองขั้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วขั้นที่สองมาฝึกใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าบังคับให้มันนิ่งอยู่เฉยๆพามันดูการทํางานของกายพามันดูการทํางานของใจ เราจะเห็นเลยเวลาร่างกายเรามีสติคอยรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นร่างกายทํางานทั้งวันทั้งคืนเช่นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านี่ร่างกายเป็นคนหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเราเป็นคนดูเราฝึกจนใจของเราเป็นคนดูเราจะเห็นเลยร่างกายมันทํางานของมันได้เองร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุ ร่างกายนั้นมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันทั้งคืนร่างกายนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยเราเฝ้าดูลงไปเรื่อยจะเห็นความจริงของของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาะร่างกายนี้ เป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวคนที่แท้จริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยใครรู้สึกตัวนะพอเรารู้สึกตัวได้แล้วถ้าเราเห็นกายทํางานนมันจะเห็นในร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันถูกความทุ้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเรายืมวัตถุเรายืมก้อนธาตุของโลกมาใช้ชั่วคราว ไม่นานเราก็ต้องคืนให้เขาไปความจริงเราคืนตลอดเวลานะเช่นเราหายใจเข้ามาเราก็หายใจออกคืนไปเรากินอาหารเข้ามาเราก็ขับถ่ายคืนไปเรายืมของโลกมาใช้ใช้ชั่วคราวเราก็คืนใช้ไปจนแก่จนเจ็บจนตายพอตายเราก็คืนทั้งทั้งก้อนเลยคืนทั้งหมดไปเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูไปเรื่อยจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุ มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ถ้ายังดูไม่ออกว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็ลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปนานๆน้ำจะทุกข์นะน้นทนไม่ได้หรอกมันต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆนะไม่ยืนไม่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวนะแป๊บเดียวก็ทุกข์ละก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ แม้เราหายใจนี่ก็เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองความทุกข์นั้นบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีความทุกข์บีบคั้นตลอดแต่คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เคยเห็นก็ประมาทมัวเมาว่าร่างกายเราอย่างแข็งแรงยังหนุ่มอย่างสาวอยู่ยังไม่ทุกข์อยู่นี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยของไม่เที่ยง เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุบังคับไม่ได้าการที่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามันจะรู้ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ถาวรของเราหรอกเรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวนะถึงจุดหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเอาไว้ไม่ได้เนีเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายพอปัญญาแก่รอบจริงๆมันจะไม่ยึดถือร่างกายตรงที่ไม่ยึดถือร่างกายได้เราจะบรรลุธรรมะในขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีท่านไม่ทุกข์เพราะกาย นี้เรามาฝึกต่อไปนะมาฝึกคนไหนถนัดดูกายดูกายไปคนไหนไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตไปจิตก็แสดงตรลักษ์เช่นเดียวกับร่างกายเหมือนกันอย่างจิตใจของเราแต่เขียนแม้เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เช่นใจเราคิดตาเรามองเห็นหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งอะไรพวกนี้ พอมันมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นกระทบตาตาไปกระทบรูปเห็นรูปที่พอใจก็เกิดความสุขเห็นรูปที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์หูได้ยินเสียงที่พอใจก็เกิดความสุขหูได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์นี่ยเราคอยรู้ทันใจของเรานะให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจเนี่ย ไม่กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะไม่ใช่เรื่องประหลาดพิสดารอะไรให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วมันเกิดความสุขให้รู้ทันกระทบแล้วมันเกิดความทุกข์ให้รู้ทันอย่างพอหนาวๆ น, นะแดดส่องมาอุ่นๆมีความสุขมีความสุขเราไม่ใช่รู้แค่ว่าแดดออกแล้วอุ่นมีความสุข หรืออากาศกำลังร้อนนะแดดมาส่องอีกมีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ใช่แค่รู้ว่าแดดร้อนเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะอากาศมันหนาวแดดออกมาส่องถูกตัวเรามันอุ่นขึ้นมามันมีความสุขให้รู้ทันนะอากาศมันร้อนอยู่แล้วแดดมาส่องอีกมีความทุกข์เกิดขึ้นมาใจไม่พอใจนะใจมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทัน ให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจของเราเนี่ยทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าพอเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันการที่เราคอยฝึกอย่างนี้มากๆนะต่อไปปัญญาเราจะแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเราจะฝึจกจนกระทั่งเห็นว่าสุขมันก็เป็นของชั่วคราวทุกข์มันก็เป็นของชั่วคราวรู้จากของจริงอย่าไปคิดเอา งั้นปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันรู้มากเข้ามากเข้ามันจะเห็นเลยว่าความสุขนี้เป็นของชั่วคราวความทุกข์นี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นนะคนทุกวันนี้ที่หลงอุตรลุ่นนะวิ่งดิ้นรนสแสวงหาอะไรต่ออะไรสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นอะไรเนี่ย เอาเข้าจริงแล้วก็คือมันวิ่งหาความสุขมันวิ่งหนีความทุกข์เท่านั้นเองถ้าเมื่อไรปัญญาของเราแก่กล้าเรารู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวจิตมันจะหมดความดิ้นรนเพราะฉะนั้นการที่เรามีเวทนานะคือมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นมีผัสสะก็ทําให้เกิดเวทนามีการกระทบอารมณ์ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างขึ้นมา ควมีเฉยเยอีกตัวเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดเฉยเฉยบ้างนี่ยภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอมีความสุขเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีความทุกขเราก็อยากให้หายไปเวลาเฉยเฉยจับอารมณ์ไม่ถูกก็อยากจะมีอารมณ์ที่ดีๆอยากจะให้อารมณ์ที่ไม่ดีมันไม่เกิดก็มีความอยากเกิดขึ้นจนได้ความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกที นี่เป็นกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติเีนกฎของธรรมะมีความอยากที่ไรมีความทุกข์ขึ้นทุกทีความอยากมันเกิดจากเวทนานั่นแหละเป็นตัวล่อมีความสุขขึ้นมาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้หายไปพออยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมานะจิตใจก็ดิ้นรนหาความสงบไม่ได้เที่ยวแสวงหาใหญ่นะ เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมาอยากให้หายไปก็เกลียดมันเวลามีความทุกข์เกลียดมันจิตใจไม่สบายนึกออกไหมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ความทุกข์หายไปเร็วๆอย่างคนภาคเหนือนี่นะน้ําท่วมก่อนน้าท่วมแล้วน้ําลงไม่นานก็ลงแลคนภาคกลางน้ําท่วมนานเพอะน้ําไปท่วมบ้านอยากให้น้ําลงเร็วๆนะน้ํามันลงไม่เร็วตามใจหรอกมันก็ลงไปตามธรรมดาของมัน เราอยากขึ้นมาเนี่ยยิ่งใจยิ่งมีความทุกข์นะหรือเวลาเราเจ็บป่วยเราอยากให้หายเร็วๆใจใ 2023, เราจะยิ่งมีความทุกข์แต่ถ้าเจ็บป่วยเราก็แค่เห็นว่าร่างกายมันเจ็บป่วยใจจะไม่ทุกข์จะป่วยแต่ร่างกายความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นทุกทีเนี่เราคอยรู้ทันไปถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเกิดสุครู้ทันเกิดทุกรู้ทันมันจะไม่มีช่องทางให้ความอยากเกิดขึ้น ถ้าเราร <Lovely. S 1> like ู mm ้ไม่ทันความสุขความทุกข์นะความอยากมันจะตามหลังมาอย่างรวดเร็วเลยพอมีความสุขมันก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์จบเร็วๆพอมีความอยากเกิดขึ้นจิตใจยิ่งมีความทุกข์มากกว่าเก่าเจะทุรนทุรายดิ้นรนนี่เราคอยรู้ลงไปอย่างร่างกายเราแก่เงี้ยเราอยากให้มันไม่แก่ร่างกายมันเจ็บอยากให้มันไม่เจ็บร่างกายมันจะตายอยากให้มันไม่ตายมีความอยากเกิดขึ้นนะ ความทุกข์มันจะเข้ามาที่ใจถ้าไม่มีความอยากความทุกข์มันเข้ามาได้แค่ร่างกายเข้ามาไม่ถึงใจในทางจิตใจก็เหมือนกันเราอยากเจอแต่สิ่งที่ดีอยากพบคนที่เรารักอยากจะไม่เจอคนที่เราเกลียดเวลาที่เรานึกถึงว่าเราจะต้องเจอคนที่เราเกลียดสบายใจไหมไม่สบายใจแค่นึกถึงว่าประเดี๋ยวต้องไปเจอคนที่เกลียดเราก็ไม่สบายใจแล้วทำไมไม่สบายใจเพราะไม่อยากเจอใช่ไหม อยากจะไม่เจออยากจะไม่เจอมีความอยากที่ไรมีความทุกทุกทีเลยนี่เราคอยรู้ทันใจของเราไปบ่อยๆถ้าเรารู้ได้ไวนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุครู้ทันเกิดทุกรู้ทันตัณหาจะไม่เกิดถ้าเกิดสุขแล้วไม่รู้ทันนะตัณหาจะแทรกเกิดสุขขึ้นมาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดทุกขึ้นมาก็อยากให้หายไปพอมีความอยากมีตัณหาขึ้นมานะจิตใจก็ดิ้นรน ความยึนโยนของจิตใจเรียกว่าพบนะคว่าพบพอสำเภาพอผ่านเคยได้ยินคว่าพบหมคาว่าพบเนี่ยมีสองชนิดพบชนิดหนึ่งเรียกว่าอุปติพบอุปาติพบอย่างพวกเราในขณะนี้มีอุปติพบเป็นมนุษย์มีพบอีกชนิดหนึ่งชื่อกรรมาพบกรมมาพบกรมมาพบก็คือการที่จิตมันปรุงมันทำงานขึ้นมาตามความอยาก ปัญหาเป็นปลักดันนั้นก็เกิดเจตนาที่จะทํำม น, นุษย์ทําดีบ้างทําร้ายบ้างอย่างร่างกายของเราเนี่ยโดยอุปาทิภพเราเป็นมนุษย์แต่โดยกรรมาภพนะบางขณะเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาเราใจลอยเรามีโมหะครอบนะร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเดรัจฉานนะนี่กรรมมาภพอย่างนี้ใจเป็นเดรัจฉาน ท, ท, ทั้งที่ตัวเป็นคนเขาเรียกมนุษย์ติละฉานโนบางทีใจเราก็เป็นสัตว์นรกใจเรามีความทุกข์ ร่างกายเราเป็นคนแต่ใจเราเป็นสัตว์นรกแต่เรามีความทุกข์เรียกมนุษย์นิระโยบางทีก็เป็นมนุษย์สเปตโตมนุษย์เปลืคือตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเปลืใจโลภบางทีก็ใจใจมีศีลมีธรรมนะก็เป็นมนุษย์มนุษย์ใจมีหิริมีโอตตาปะไม่อยากทําชั่วไม่กล้าทําชั่วเลยนะละอายใจตัวเองกลัวผลของการทําชั่วนี่เรียกว่ามีเทวธรรม ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาหรือมนุษย์สตรโบเนี่ยตัวกรรมภพนี่แหละที่ทําให้เราเวียนตายเวียนเกิดนะในชีวิตมนุษย์เนี่ยแหละวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราก็จะเวียนอยู่ในภพย่อยๆจํานวนมากเดี๋ยวเราก็เป็นเปรตเดี๋ยวเราก็เป็นอสุรกายอสุรกายเนี่ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดในความเห็นของตัวเองอย่างรุนแรงแล้วพวกเปรตก็พวกโลภนะพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกโมหะมาก พวกสัตว์นรกนี่ก็คือพวกโทสะมากใจของเราโกรธเมื่อไหร่เราเป็นสัตว์นรกในขณะนั้นในขณะที่ใจเราโกรธขณะนั้นร่างกายยังเป็นคนแต่ใจเราเป็นสัตว์นรกเซะแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นการดิ้นร น, นการปรุงแต่งการทํางานของใจนะมันตามหลังความอยากมาจริงแล้วก็ใจดิ้นรนใจปรุงแต่งที่ไรใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้น พระอรหันต์ไม่ใช่ว่าไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระอรหันตกกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเกิดเวทนาบางอย่างพระอรหันต์มีเวทนาบางอย่างคือมีสมนัตเวทนามีความสุขทังใจก็มีอุเบกขาไม่มีทุกข์ทางใจแต่เวทนาของท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นปัจจัยให้ตัณหาทำงานขึ้นมาได้ท่านั้นไม่มีตัณหา มีเวทนาก็สักแต่ว่ามีเวทนาไปอย่างนั้นเองจิตไม่หลงมีเวทนาก็สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่งั้นเองก็ทํางานไปตามธรรมชาตินี้นพวกเราค่อยๆฝึกนะฝึกสังเกตกายสังเกตใจของตัวเองนี่เรื่องว่าการเดินปัญญาการเจริญปัญญาการทํำวิปัสสนากรรมฐานทํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่อดูร่างกายมันใจเราเป็นคนดูก็จะเห็นในร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเรามาดูจิตดูใจเราก็เห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันก็เกิดตัณหาตัณหารู้ไม่ทันนะก็เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมามันเป็นเองมันเป็นได้เองเราตามรู้ตามดูลงไปในจิตใจเราเ็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของเป็นอนัตตาของไม่เที่ยงเป็นยังไง ความไม่เที่ยงก็คือความสุขทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยการที่เราคอยรู้ทันจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้นะไม่นานใช้เวลาไม่มากจิตก็จะฉลาดจิตจะรู้เลยว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวเพราะมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยง กิเลสกุศลอะไรต่างๆนานานะถ้าเราคอยรู้ทันใจของเราก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่ดูจิต ด, ดูใจ romance, เห็นแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดค religion. มีแต่ความไม่เที่ยงมีความทุ้งบีบคั้นอยู่ตลอดจิตใจของเรามีความทุ้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มีความอยากเกิดขึ้นเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยความอยากเกิดนับครั้งไม่ถ้วนเนะช่นอากาศร้อนก็อยากให้เย็นนะอากาศเย็นก็อยากให้ร้อนร้อนหน่อยนะแล้วใจมีความอยากเกิดขึ้นใจถูกความอยากนี่แหละบีบคั้นหาความสุขไม่ได้แล้วจิตใจเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้เราก็สั่งให้จิตของเรามีความสุขทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าในความเป็นจริงเราสั่งไม่ได้ เราสั่งให้จิตมีความสุขเราสั่งไม่ได้เราห้ามจิตว่าอย่ามีความทุกข์เราก็ห้ามไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับร่างกายเนี่ยเราดูเป็นอนัตตาในแง่ของว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุมาใช้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรามาดูจิตดูใจเรามาดูอนัตตาในแง่มุมของว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่เชื่อเรานะมันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ไม่เชื่อมันจะทุกข์ สั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีพวกเราสังเกตไหมเราก็อยากดีทุกคนะนะ่ะเนาะแต่ว่ามันชอบทําชั่วสังเกตไหมนัม่นอยากดีนะแต่ว่าใจมันไม่ยอมอยากทําชั่วอยากนั่งภาวนาแต่ว่าทักเดียวนะก็อยากลงไปนอนอย่างเงี้ยมันเนี่ยจิตใจมีแต่ของกลับกรอกนะสั่งมันไม่ได้แต่ว่าอยากขี้เกียจมันก็จะขี้เกียจอยาชั่วมันก็จะชั่ว เนี่ยเราดูของจริงเข้าไปนะจะเห็นแต่อั น, นิีจังทุกขังอนัตตาการที่เราคอยเห็นอ น, นิีจังทุกขังอนัตตาของกายอั น, นิีจังทุกขังอนัตตาของจิตใจนี่แหละคือการทําวิปัสสนากรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานไม่ใช่แค่รู้สึกกายรู้สึกใจต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจงนึ่จะเป็นวิปัสสนาถ้าเราทําวิปัสสนาเนืองๆ น, นะต่อไปนะปัญญามันจะเกิด ปัญญาในการทำวิปัสสนานั้นมีสองขั้นตอนปัญญาขั้นต้นเนี่ยของพระโสดาบันท่านจะเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแม้แว่ามันมีอะไรมันมีแต่รูปธรรมมันมีแต่นามธรรมมีแต่รูปธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่นามธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ มีแต่รูปธรรมนามธรรมาไม่ใช่ตัวเราอย่างจิตใจเนี่ยดูไปเรื่อยนะก็เห็นแต่เป็นนามธรรมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเนี่ยมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นของจริงเลยเหมือนกับฝันฝันไะปขันท่าเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตาจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าเห็นจนแจมแจ้งนะใจจะรู้ความจริงว่าขันท่าไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุธาตุจิตใจก็เป็นาธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนี่เป็นปัญญาขั้นต้นล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เป็นพระโสดาบันปัญญาขั้นสูงนะจะล้างความยึดถือปัญญาเบื้องต้นเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราปัญญาขั้นสูงจะล้างความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้จะเราจะหมดความยึดถือนะ เพราะว่าเราเห็นความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่น่ายึดถือเลยร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุยืมโลกมาใช้ใจมจะหมดความยึดถือจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ถูกบีบคั้นตลอดเวลานะความสุขก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องหายไปความทุกข์อยู่ไม่นานก็หายไป กุศลอยู่ไม่นานก็หายไปอกุศลอยู่ไม่นานก็หายไปแต่มักจะนานนานกว่ากุศล น, นะกุศลอยู่แว บ, บๆหนีไปแล้วหายากเหมือนเดินขึ้นเขานะเดินขึ้นเขาก็ขึ้นยากนะเวลาลงลงเร็วแปบ๊บเดียวเวลาจิตจะพัฒานาเป็นกุศลนะมันจะไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะไปยากเวลาลงแล้วลงเร็วเร็วนะเนี่ยเราคอยดูไปแล้วก็จะเห็นมนะันขึ้นได้ก็ลงได้ จเจริญได้ก็เสื่อมได้เข้าดูลงไปเรืยดูของจริงสุดท้ายเนี่ยปัญญาแก่รอบขึ้นมาเริ่นจะหมดความยึดถือในตัวจิตสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราก็คือจิตนั่นเองมันจะหมดความยึดถือในร่างกายนี้ก่อนเพราะร่างกายนี้ดูง่ายว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรแต่จิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานนั่นแหละดูยากที่สุดว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษ คราวหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประหลาดมากเลยถ้าเราไปพูดกับท่านนะท่านไม่ค่อยพูดนะถ้าเราทําไม่รู้ไม่ชี้เราไปนั่งแนละ้วภาวนาของเราไปเรื่อยนะนวมีธรรมะผุดขึ้นในใจท่านท่านก็หยดบอกให้แต่ถ้าเราไปตั้งวงถามท่านเนี่ยท่านไม่พูดเลยวันหลวงพ่อก็รู้เคล็ดเนี้ยหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่กับท่านนั่งภาวนาของเราไปเรื่อยนะท่านก็บอกอยู่ๆท่านก็บอกขึ้นมา ท่านพิจารณาทำในใจของท่านแล้วท่านก็ถ่ายทอดออกมาท่านบอกว่าเออนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแค่ผีใหญ่นะท่านบอกอย่างงี้ยนักปฏิบัติส่วนใหญ่มันเป็นแค่ผีใหญ่ั่นบอกอย่างงี้ยบอกว่าที่มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงดังๆอะไรเนี่ยส่วนมากไปได้แค่ผีใหญ่ถ้าเราไปรีบซักว่าผีใหญ่เป็นไงครับหลวงปู่เงียบเลยไม่พูดละแต่ก็ต้องรู้จักอดทนนะเงียบตอไป ภาวนาไปท่านก็ค่อยๆ อ, อธิบายไปเป็นผีใหญ่ก็คือไปเป็นโฟล์มท่านเรียกพฟลมว่าผีใหญ่ทําไมไปเป็นพรลมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยภาวนาจนกระทั่งเข้ามาถึงจิตถึงใจมาเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเนี่ยจะหลงยินดีพอใจในตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงปู่ดูลเรียกจิตตัวเนี้ว่าผีใหญ่เลยไปเป็นโฟลม หลวงตามมาหาบัวท่านเรียกจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าจิตเอาพิชาแต่ว่ายากเหลือเกินที่ใครคนใดคนหนึ่งนะจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นของไม่ดีส่วนมากพอาาเราภาวนาเข้ามาจนถึงตัวจิตผู้รู้ได้นะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษที่ฝากเป็นฝากตายได้เพราะมันวิเศษจริงๆนะมีแต่วความสุขสว่างแจ่มใสเด่นรวงอยู่ทั้งวนันทั้งคืนอย่างนั้น แต่ภาวนาให้มากนะถึงจุดหนึ่งจะรู้เลยว่าตัวจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ยังไม่เที่ยงยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าผู้ใดภาวนาจนถึงเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แจม่มแจ้งนะไม่จะหมดความยึดถือในตัวจิตผู้รู้ตรงนี้แหละที่ในโวหารของโลกเรียกว่าพระอระหันต์พระอระหันต์ไม่ใช่อะไรแปลบ ป, ประหลาดอะไรไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์วิเศษอะไรหรอกนะ คือท่านผู้มีสติปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงแล้วว่าขันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเลยคือ ท, ท่านเห็นขันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านหมดความยึดถือจิตใจกระทั่งตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ยึดถือมันในที่สุดท่านไม่ยึดถือจิตท่านก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนี่เราฝึกนะต้องฝึกไปเรื่อยแต่กว่าจะไม่ยึดถือจิตได้นีย่ยากมากเลย ตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะก็คอยเวียนไปหาท่านนะสามเดือนสี่เดือนไป ห, หนึ่งหลวงปู่ดูลท่านดีอย่างนะท่านไม่ค่อยไปไหนท่านแก่มากแล้วท่านก็อยู่แต่วัดไปที่ไหนก็เจอยงเว้นไปเข้าโรงพยาบาลเธอเขาต้อเป็นดักที่โรงพยาบาลถ้าไปที่วัดก็เจอเจอท่านครั้งสุดท้ายไปหาท่านท่านมรณภาพนะประมาณสามสิบตุลาสองหก หลวงพไปหาท่านปลายปลายกัญญาก่อนท่านมารณภาพสามสิบหกวันไปหาเนี่ยังไม่รู้เลยว่าท่านจะมรณภาพไปถึงตอนบ่ายๆนะท่านก็สอนธรรมะไปเรื่อยคราวนี้มาแปลกท่านสอนไม่เลิกเลยสอนจนดยค่านะทุ่มกว่าแล้วท่านก็ยังไม่เลิกนะท่านก็หอบท่านก็นั่งหอบหอบหอบพุทธเจ้าอายุจะเกือบร้อยปีแล้วสอนใหญ่สอนละเอียดยิบเลย สอนจนท่านหอบแล้วหอบอีกนะหลวพ่อก็บอกท่านบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมกลับละจะกลับลาละท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ไปบอกเข้าใจก็โกหกท่านสิไม่เข้าใจหรอก พราะผู้รู้ทำลายผู้รู้ไปทำลายได้ยังไงผู้รู้เรากว่าจะฝึกจนกระทั่งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเรียกเราว่าผู้รู้นะไม่ใช่ง่ายนะดังนั้นบอกให้ทำลายผู้รู้ซะอีกการที่เราจะทำลายผู้รู้ได้นะเราต้องตามรู้ความจริงของจิตเรื่อยไปนะจนเห็นในจิตเนี้ยตัวผู้รู้ที่ว่าเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเอาเข้าจริงสว่างได้นะก็ยังหมองหมองได้ไม่เจียง คนไหนที่เป็นพวกศรัทธามีศรัทธามากนะแค่เห็นตัวผู้รู้มันหมองๆได้นะรับไม่ได้แนละ้วหมดความยึดถือตัวผู้รู้เลยเพั้นบางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะว่าเห็นว่าตัวผู้รู้มันไม่เที่ยงตัวจิตมันไม่เที่ยงพวกศรัทธามากเนี่ยมาตรฐานสูงอะไรผิดมาตรฐานนิดเดียวไม่เอาละจะท่านตัวผู้รู้เป็นตัวทุกหมองๆให้ดูนิดเดียวนะก็ไม่เอาแล้ปล่อยเลยไม่เอาละ พวกนี้ปล่อยง่ายเลยพวกศรัทธามากถ้าพวกสมาธิมากเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันจะเด่นดวงมากมีแต่ความสุขมากเลยทั้งวันทั้งคืนมันมีความสุขสว่างอยู่นั้นไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้นป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยใครเลยสุขอยู่ในตัวเองอยู่ตรงเนี้ต้องภาวนาจนวันหนึ่งเห็นะตัวผู้รู้จิตมันต้องไหวตัวพลิกปั๊บเดียวนะจะเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์ เหมือนตัวผู้รู้สามโล ก, กาธาตุนี้ไม่มีตัวใดเป็นตัวทุกเท่ากับตัวผู้รู้เลยถ้าเห็นได้อย่างนี้ทีจะปล่อยวางตัวผู้รู้บางท่านเป็นพวกปัญญากล้านะจะเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจจริงเราเห็นว่าไม่ใช่เราท่านก็โยนทิ้งไปนี่พวกปัญญามากเช่นบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนัตตาพวกสมาธิมากเช่บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นทุกข์ แต่ว่าสุดท้ายมันลงไปที่เดียวกันนะคือไม่ยึดถืออะไรในโลกจิตจิตหลังจากนั้นนะั้เป็นจิตที่แปลกจิตอย่างนี้ไม่มีขอบมีเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีจุดไม่มีดวงนะจิตกับธรรมชาติจิตกับธรรมะเกลื่นเป็นอันเดียวกันไม่ใช่จิตกับธรรมชาตินะธรรมะกับธรรมชาตินะั้นควรละอันกันสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินะั้นคือสภาวะซึ่งยังเกิดแล้วก็ดับอยู่ชาติคือความเกิด ธรรมะแท้ๆนั้นเลยเกิดเลยดับไปไม่เกิดไม่ดับหรอกคือธรรมะแท้ๆก็คือพระนิพพานอันเดียวนั่นเองในจิตที่ภาวนาจนหมดความยึดถือในจิตนก็จะไปสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิอยู่มีความสุขพวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะสัมผัสความสุขอันอัศจรรย์นี้ได้ถ้าพวกเรามีศีล น, นะมีสมาธิสองชนิด แล้วก็เจริญปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสมาธิสองชนิดก็คือวันไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบให้จิตใจได้พักผ่อนวันไหนจิตใจสงบแล้วมาฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปถ้ารู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดพอเราได้จิตผู้รู้มาแล้วนะ ใช้จิตผู้รู้เนี่ยดูกายเห็นร่างกายมันเดินจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนเห็นร่างกายมันยืนนะจิตมันเป็นคนดูจิตกับกายเนี่ยแยกออกจากกันเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นคนละอันกันมันแยกออกจากกันบางคนที่หลวงพ่อพูดว่าแยกธาตุแยกขันใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อเรื่องเรื่องแยกธาตุแยกขันครูบาอาจารย์สอนถึงขนาดว่า ถ้าไม่แยกธาตุแยกขันนะอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาอย่ามาพูดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีจริงหรอกนั้นจะแยกธาตุแยกขันได้จิตต้องแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูเนี่ยห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายกินข้าวจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งพัดอยู่เนี่จิตเป็นคนดูนัไม่จะแยกกันกนะกายกับจิตไม่ยากหรอกนะยากสําหรับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าเมื่อวันนี้ได้ยินได้ฟังแล้ว ค่อยๆสังเกตเอาร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าดูชำจากนั้นล้หรือเราไม่ถนัดดูกายเราก็ดูจิตไปเราก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูหรืออย่างนี้ก็ได้เราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างนี้ก็ได้นี่ฝึกไปเรื่อยนะจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์ต่างๆแยกออกจากรูปธรรมแยกจากนามธรรมมาเป็นคนดู ถ้าจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูได้มันถึงจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจได้ถ้าจิตมันไปรวมเข้ากับกายมันไม่เห็นความเป็นอนัตตาของกายถ้าจิตมันไปรวมเข้ากับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันจะไม่เห็นความเป็นอนัตตาของจิตันจะไปรวมเป็นก้อนเดียวกันจะเป็นตัวกูขึ้นมาตัวกูของกูตัวกูไม่มีอะไรหรอกตัวกูก็คือจิตมันเข้าไปรวมกับขันนั่นเองรวมขึ้นมาเป็นตัวกู ถ้าจิตกับขันแยกออกไปแล้วขันไม่เป็นตัวกูลแล้วค่อยฝึกนะไม่ยากหรอกพวกเรามีซีดีหลวงพ่อไหมมีนะมีมีใครไม่มีคนที่มีก็ไปทำบุญนะก๊อปก๊อปให้เขาบ้าง <c oughs> แบ่งแบ่งกันฟังหลวงพ่อกล้ายืนยันอย่างนะถ้าอดทนนะฟังซีดีไปพวกเราอยู่ไกลนานๆจะได้เจอกันทีนี่ท่านอาจารย์ท่านนิมนต์ปีหน้า ปลายปลายปีให้มาใหม่หลวงพ่อรับท่านไวละละ้แล้วล่ะนานๆเราเจอกันทีะฟังซีดีไว้คนมาจากอเมริกานเยอะแยะเลยนะเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกเขาภาวนาได้เขาฟังซีดีเอาเขาแยกธาตุแยกขันได้เขาเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตได้เขาเห็นกิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตได้เขาแยกได้ ทำได้พอวนาได้ไม่เหลือวิสัยหรอกนะฟังหลวงพ่อครั้งแรกยากยากเพราะไม่เคยฟังอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ยากแหละฟังแล้วฟังอีกหลายๆหนนะแล้วมาสังเกตของจริงในกายในใจต่อไปไม่ยากหรอกจะเป็นของง่ายและจะรู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นง่ายประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะก็คือการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติวิธีที่ท่านสอนของพ่อก็คืออ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้รู้ไปเร้่อยเร่ก็แท้เห็นจิตสุขก็ชั่วคลาวจิตทุกข์ก็ชั่วคลาวจิตดีก็ชั่วคลาวจิตชั่วก็ชั่วคราวในโลกนี้มีแต่ของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าปัญญา ไม่ยากหรอกนะฟังซีดีนะฟังซ้ำๆๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจมันยากตอนที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแต่ว่าค่อยสังเกตค่อยสังเกตไม่นานก็ทาได้อดทนนะหลวงพ่อไม่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนด้วยขออย่างเดียวอะสิ่งที่ขอนะอดทนไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะเพื่อตัวเองถ้าเราไม่อดทน ไม่ฟังคำสอนแล้วไม่อดทนต่อคำสั่งสอนไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกฟังธรรมะฟังเล่นๆฟังแล้วก็ลืมจะได้อะไรขึ้นมาภอนาดูของจริงในกายดูของจริงในใจอดทนนะดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนเขาดูเจ็ดวันเขาเข้าเข้าใจธรรมะบางคนดูเจ็ดเดือนเข้าใจธรรมะบางคนดูเจ็ดปี ขเราเจ็ดชาติก็ต้องดนะูนานแค่ไหนก็ต้องทำเพราะอะไรถ้าเราไม่สนใจจิตใจเราจะไหลลงที่ต่ำไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองจนมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะกว่าเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายเลยตอนนี้เราได้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วเรามีร่างกายที่ใช้ได้ใช้งานได้ เรามีจิตใจที่ไม่วิกลวิการมาไม่บ้ารู้เรื่องเราเอาต้นทุนที่เรามีนี่แหละมีกายมีใจนี่แหละเป็นต้นทุนมาศึกษาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราจะได้รับนั้นบอกได้คำเดียวว่าอาัศ จ, จรรย์ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะอัศ จ, จรรย์จริงๆนะมีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขอยู่นั่นแหละแปลทั้งวันทั้งคืน เราจะฝึกเจนกระทั่งจิตเราเนี่ยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้มันเป็นไปได้ที่วันหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเลยไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทําได้คนที่ทําไม่ได้ก็คือสองพวกพวกที่หนึ่งไม่ทําพวกที่สองทำผิดตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนเรารู้วิธีแล้วเราจะทําไม่ผิดเราก็อยากขี้เกียจ ขยันดูหน่อยทอนหน่อยทอนต่อความขี้เกียจดูทุกวันทุกวันดูไปด้วยนะดูกายดูใจใจน้อยใจลอยไปรู้ทันใจลอยไปรู้ทันด้วยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานไปเรื่อยถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทําในรูปแบบการทําในรูปแบบทุกวันแบ่งเวลาไว้ทุกวันวันหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ยังดี การที่เราอดทนนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวมดมนต์อะไรทำซ้ำๆทุกวันจิตเราจะมีพลังขึ้นจิตจะมีกำลังนะถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยจิตเราไม่มีพลังจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงภาวนาไม่ได้จริงหรอกนั้นเราทำในรูปแบบรักษาศีลห้าทำในรูปแบบเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก จิตเป็นคนรู้จิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเป็นคนรู้ฝึก อ, อย่างนี้เจวัน7เดือนเจปีนะควรจะได้อะไรบ้างชาตินี้มันอาจจะไม่บรรลุพระอระหันต์กันทุกคนไม่เป็นไรเอาให้ได้โสดาโสดาบัณไม่ได้ยากเกินไปนะสมัยพุทธกาลเขาฟังธรรมเขาเป็นพระโสดาบัณทั้งเยอะตั้งแยะเราก็บอกว่าเขาบารมีมากกว่าเราก็จริงเหมือนกันบางคนในสมัยพุทธกาลบารมีมากกว่าเรา บางคนในสมัยพุทธกาลบารมีน้อยกว่าเราคนสมัยพุทธกาลนั้นได้มากผลทุกคนเสีที่ไหนนะไปตกนรกก็มีเยอะแยะไปพวกเราอย่างดีกว่าเขาอีกสำหรับบางคนไง้นพวกเรามีต้นทุนที่ดีแล้วเรามีกายเรามีใจแล้วเราได้ฟังธรรมแล้วเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทุกวันนะ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ขอศีลห้าเท่านั้นศีลแปดยังไม่ทำไม่สำคัญเท่าศีลห้านะในขั้นนี้แต่ในขั้นที่จะขึ้นพระอนาคานะควรจะถือศีลแปดในขั้นต้นๆอย่างพวกเราเนี่ยศีลห้าก็พอแล้วขอให้รักษาให้ได้ก็ลักกันรักษาศีลห้าไว้ก็ทำในรูปแบบไม่พระสวนมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวัน วันหนึ่งสิบ1้นาทีก็ยังดีนะแล้วเวลาที่เหลือยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆก็รู้สึกเอาจิตใจเป็นกุศลจิตใจเป็นอกุศลก็รู้เอานะพอรู้อย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกินจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันนะนะปันข้างหน้าจะต้องเป็นพระอระหันต์แน่นอน ถ้าจะรีบต่อไปนะเดินต่อไปก็พักเพียรเข้าดูกายดูใจเหมือนเดิมนั่นแหละจนมันเห็นความจริงนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าไม่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรเลยแต่อยู่ๆจะไม่ยึดถืออะไรเลยไม่ได้บางคนสอนมักง่ายนะ บ, บอกกันบอกว่าอย่าไปยึดอะไรสักอย่างเลยศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่ต้องทำถ้าทําเป็นการยึดถือเบื้องต้นต้องยืดไว้ก่อนถ้าไม่ยึดถือไว้ก่อนอยู่ๆบอกยังไม่ยึดถือมันพูดได้แต่ปากใจมันไม่เป็นหรอกเราต้องฝึกฝนตัวเองนะงหมดความยึดถือได้เพราะปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าในกายในใจนี้ว่าเป็นของไม่ดีจริงมันถึงจะไม่ยึดถือไม่ใช่อยู่ๆก็บอกไม่ยึดได้ อดทนทำนะอดทนเอาแล้วปีหน้าค่อยเจอกันใหม่<笑><笑>เวลาถามนะบอกพิธีถามให้ไม่ต้องถามยาวนะ <_ u> บางคนไม่เข้าใจนะหลวงพ่อเคยเจอมีพระองค์หนึ่งนะไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการท่านมาถึงท่านก็เล่าเลยว่าเนี่ยผมมีประสบการณ์นะตอนผมเด็กๆนะสามขวบนะ ผมเป็นอย่างนี้ๆเราก็ฟังนะโอ้สามขวบคงจะมีทีเด็ดเราอยังไม่มีอรอไปตอนผมสี่ขวบนะครับอย่างงี้จนยนะี่สิบแล้วมาบวชพรรษาแรกนะเราก็ตั้งใจฟังพรรษาแรกคงจะมีทีเด็ดพอพรรษาที่สามพรรษาที่สี่ยังไม่มีทีเด็ดเลยเลยถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตอนนี้กี่พรรษาโอ้เกือบยี่สิบแล้วอเอาปัจจุบันเลย งั้นเวลาถามธรรมะนะจริงๆไม่ต้องถามเยอะหรอกอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะไม่ทันจะถามท่านก็บอกแล้วแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ถามแล้วบอกเนยไม่ดีเพราะว่าอวดอุตริ <c oughs> นั่นถามซะหน่อยแต่อย่ายาว <c oughs> มนมำมศการหลวงพ่อค่ะสภาวะธรรม ท, ท, ที่เห็น บ, บ่อยๆตอนนี้ก็คือว่าเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ อ, อ, อยากให้หายแล้วค่ะ เอออยากก็ให้หายมันก็ไม่หายหรอกมันจะอยากอยู่อย่างงีก็เห็นก็มองก็เห็นอยากเ <ๆ S 2> มื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นค่ะเออทุกข์ไปก่อนทุกข์จะมันฉลาดนะมันเลิอกอยากหนูปฏิบัติดีได้ถูกต้องบ้างถูกต้องคือถ้าจิตมีกิเลส ต, ตัณหาใดๆเกิดขึ้นแล้วรู้ทันนะก็ะะถือว่าถูกต้องแนละ้วอย่างจิตมีความอยากเกิดขึ้นรู้ว่าอยากก็ถูกแล้วล่ะ แต่จะไปห้ามมันไม่ให้อยากห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาคือตอนนี้พยายามห้ามมันนะคะ่ะรู้แล้วก็โมโหลแล้วก็ห้ามมาันรู้อยู่แต่ก็ห้ามไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> นะถืนไปห้ามก็ทุกข์เราแล้วมองกลางๆไดยังไงคะหลวเพ่อให้รู้ทันที่ยินดีให้รู้ทันที่ยินร้ายแล้วมันจะกลางของมันเองอยู่ๆไปสั่งให้มันกลางไม่ได้นะ <c oughs> คือพวกเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งจิตนั้นเป็นอ น, อนัตตาจิตไม่เป็นไปนตามที่เราสั่งหรอก แต่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่อบรมสั่งสอนได้เราพาจิตให้มันเรียนรู้ความจริงให้จิตมันดูไปความสุขเกิดขึ้นรู้ไปก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรก็ชั่วคราวสุดท้ายจิตจะเป็นกลางของจิตเองอย่างจิตมันรู้ว่าสุขก็เป็นของชั่วคราวทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวแต่ไปเพราะความสุขเกิดนั้นจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีหรอกความทุกข์เกิดจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายหรอก งั้นเราต้องเห็นความเกิดดับมากๆแล้วมันจะเป็นกลางเองสั่งให้เป็นกลางไม่ได้หรอกงหนูก็เริ่มเห็นว่าเออเริ่มเห็นแล้วน่ะหัดดูไปด้วยเห็นขันแยกออกยังดูออกไหมเห็นแต่จิตค่ะเห็นจิตมันคิดตัวเองอ่ะเออเห็นจิตคิดเองก็ถือว่าใช้ได้ละแต่ขันนี้ยังยังเห็นไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นคนลาอนกันค่ะนั่นแหะขันมันแยกละ พอบางทีมองเห็นว่าคิดอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็คิดฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นเออนอนอยู่คิดไปเรื่อยๆเห็นเตุ๊บบางทีมันตนนี้ฟุ้งซ่านอย่างมันจะปรุงแต่งนะคะหลวงพ่อปรุงแต่งนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้แหละะ้ารู้ลงปัจจุบันต่อไปใจเกาพ้นความปรุงแต่งไปไปทํำต่อไปอย่าชี้เกียจนะ ค่ะนะมาสการขุณหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกแต่ฟังซีดีมาสามปีแล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสองสามครั้งแต่เขามไม่ยอมรับและเขากลัวค่ะแล้วก็หนีด้วยค่ะถ้ยอมน้าเป็นพระโสดาบันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ประมาณพอเขารู้ว่าขันห้ารวมตัวกันยังไงเนียเขาจะฝืนไม่ยอมให้รวมตัวเขาคือจะเข้ามาจัดการเองไงค่ะพระ อ, อาจารย์หลวงหนูหน้าไปดูไว้โทสะมันแรง ค่ะยมโยนจะเป็นเพศโทสะจริตแล้วก็ที่มองเห็นนะเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วโทสะมันแทรกเนี่ยให้รู้ทันไปด้วยพอโทสะแทรกแล้วอยากเข้าไปจัดการมันใช่ค่ะแล้วจิตเขาจะดื้อมากค่ะเขาดูมากค่ะอาจารย์อย่างถ้าอย่างถ้ามีอะไรที่มากระทบจากประมาณว่าเขาสนใจข้างนอกเนี่ยเราบริกรรมคาไหนเนี่ยพอระเเผอปุ๊บเขาจะบริกรรมคาอื่นึ่งถ้าเราเห็นอี <fruit> กทีนึงเนี่ย เขาจะสะใจมากที่แกล้งเราได้ไงคะเขาก็จะไม่ยอมเราก็โกรธมันใช่ค่ะแม่มันสะใจเราเราโกรธมันใช่ค่ะโนไปดูไว้ความโกรธมันจะแทรกเนืองเนืองรู้ตัวนี้แหละคือจิตมันจะไม่เป็นกลางค่ะต่อไปเราเห็นจิตมันทํางานได้เองอันนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าเป็นโมโหมันซะก่อน ลราอาจารย์แล้วแบบจะเห็นว่าประมาณว่าจีบมันจะเกิดดับเป็นสายต่อเนื่องกันแบบต้อคิดจะสั่งจะทําแค่ขยับมือมันจะสั่งแบบเป็นสายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นประมาณว่าจะมีคนคนนึงดูอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเร า, เราจะทําอะไรไงค่ะอาจารย์แล้วก็อช่วงเนี้โ ย, ยมจะมีปัญหาคือว่า จิตมันจะเกิดดับเร็วมากจนบางทีขับรถอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเกลียอะไรหรือว่าจะทําอะไรต่อไงคะพระอาจารย์พูดก็ไม่รู้ค่ะต้องพยายามกลับมารู้สึกตัวบางทีบางทีพูดกับคนอื่นแล้วแบบคนอื่นพูดแล้วยมจะไม่รู้จะมองหน้าเขาเฉยค่ะพระอาจารย์นั่นแหละจิตเป็นล็อกไว้แล้วะมันไม่ได้เดินปัญญาหรอกไม่ได้ทํำมิปัสนาทำมิปัสนาไม่เกิดอาการอย่างนั้นค่ะอันนั้นเกิดเหตุการที่เราไปเพ่งมันมากไป เพราะว่าช่วงนี้เขาจะออกไปแส่สายแล้วสนใจข้างนอกยมก็พยายามที่จะบริกรรมเขาไปดูตัวนี้นะเวลามันกระทบอารมณ์ทีไรเนี่ยโทรศั์มันชอบแทรกให้รู้ทันใจที่มีความโกรธเนืองเนืองรู้ตัวที่บ่อยๆไม่ห้ามแต่รู้ทันนะแล้วมันจะพ้นไปได้ค่ะต่อไปเห็นขันแยกไหม ยังไม่แน่ใจว่านั่นใช่หรือเปล่าใช่มั้งก <c oughs> ายก็อยู่ส่วนกายนะเนี่ยเห็นมันพยักหน้าเนี่ยก็เห็นอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้ไปด้วยนะเห็น <c oughs> มันทำงานทั้งวันมันไม่ใช่เราหรอกเห็น <c oughs> <c oughs> แต่มันหนีแล้วก็มันไม่ยอมรับ <c oughs> มันแวบเดียวแวบเดียวเนี่ยค่ะธรรมดาเว <c oughs> ลาอริยมากเกิดยังเกิดแวบเดียวไม่เกิดสองแวบด้วยไม่ค่ะคือเห็นเห็นที่ จิต น, นั่นแหละมันก็หนีนะ <c oughs> จิตมันหนีแวบแวบแวบไปเราเฝ้ารู้ไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาแสดงความไม่เที่ยงเห็นไหมเขาแสดงความทนอยู่ไม่ได้เห็นไหมเ้าหนีของเขาได้เอง <c oughs> เนี่ยการที่เราคอยเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของจิตนั่นแหละเรากำลังเดินปัญญาอยู่ค <c oughs> นั่นแหละดีแล้วแล้วคนนั้ น, นล่ะไม่ส่งกันบ้านเหรอส่งแล้วห <c oughs> ลักนมัสการค่ะ เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ด้วยนะคะชี้ให้ชี้อะไรล่ะตอนนี้ยังทุกอยู่อะค่ะกำหลงในความคิดมากเลยค่ะเขอคิดมากก็ทุกมากธรรมดาห้ามมันไม่ได้ไม่คิดเลยไม่ได้เราไม่ใช่ต้นไม้ค่ะมันก็ต้องคิดจิตมันคิดไปนะพอมันคิดไปแล้วเกิดสุขให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ทัน คิดไปแล้วเกิดกุศลให้รู้ทันคิดแล้วเกิดอกุศลให้รู้ทันเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตนี้บังคับไม่ได้มันทํางานได้เองมันคิดได้เองอย่าไปหวังว่าจะไปบังคับมันได้พระอราหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับจิตสําเร็จนะพระอรหันต์คือคนที่รู้ความจริงว่ามันบังคับไม่ได้แล้วปล่อยวางความยึดถือไม่ใช่ไปบังคับมันได้หรอกอย่าไปประคองจิตให้นิ่ง ถ้าเราไปควบคุมบังคับให้จิตนิ่งทั้งวันทั้งคืนนะั้นจะไม่เกิดปัญญา จ, จริงปล่อยให้เป็นธรรมชาติธรรมดาตอนนี้บังคับไหม บ, บังคับค่ะก็เลิกซะ ร, <c oughs> รู้แล้วหนิรู้แล้วก็เลิกซะค่ะขอบคุณค่ะเวลาเลี้ยงลูกลูกหรือเปล่าหรือหลา น, ลนลหรือน้องลูกเหรอเวลาเลี้ยงลูกนะเราก็ทากรรมฐานไปได้นะ วันไหนลูกเราบอกอะไรก็เชื่อรู้สึกลูกเราน่ารักรู้สึกรักเ่ยก็รู้ทันวันไหนมันดื้อสุดๆนะมโมโหหรือว่ามโมโหเลี้ยงลูกเนี่ก็ทำกรรมฐานได้นะเลี้ยงลูกไปดูจิตไปไม่เสียเวลาหรอกกาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะด้วยฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณปีที่ผ่านมา แต่ฟังธรรมะซีดี CD จริงจังประมาณห้าเดือนอก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสมันมากระทบจิตและบางครั้งมันก็ผุดในจิตเองใช่จิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาจิตนะสร้างกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสนั่นแหละกลับมาครอบงําจิตเองจิตปรุงกิเลสแล้วกิเลสก็กลับมาปรุงจิตอีกกระทบกันไปกระทบกันมาไม่จบ แล้วหลายวันหลายวันที่ผ่านมาก็เห็นว่าจิตนี่แหละมันอยู่เฉยๆแล้วมันก็ออกไปจับกิเลสโ อ, โอ้มันไม่เฉยเสีมันออกไปจับกิเลสก็ก็เห็นเออเราก็คิดว่ามันต้องมากระทบหรือว่ามันผุดตรงนี้แต่จริงมันก็สามารถที่จะออกไปข้างนอกเองได้ด้วยตัวสังขารความปรุงของจิตเนี่ยเกิดจากสัญญาความจําก็ได้เกิดจากเวทนาก็ได้เวทนาเขามาจากการกระทบ ทีสัญญาผุดขึ้นมาไม่มีอะไรมากระทบนะทำมารมณ์ผุดขึ้นในใจกระทบในใจสัญญาผุดจิตก็ปลุงนั่นจิตปลุงรู้ไม่ทันนะ่กิเลสทั้งมาปรุงจิตแต่จริงๆวันนี้ที่จะอะคุยกับหลวงพ่ อ, อก็คืออยากให้หลวงพ่อให้วิหารธรรมวิหารธรรมเนะั่็คือกายกับใจของเราวิหารธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อให้ไม่ได้หรอก ไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะก็คือว่าอย่างตัวเองนะคะอืมประมาณว่ากลาเป็นคนช่างคิดไหมล่ะใช่ค่ะนะคนช่างคิดเนี่ยวิหารธรรมบอกคนช่างคิดก็คือการดูจิตนั่นแหละเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดสังเกตไปเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกมันเปลี่ยนคอยรู้ทั น, นความรู้สึกที่เปลี่ยนในีเนืองเือ ง, เ, องเรียกว่าจิตตานุปัาสนาสติปัฏฐาน ใช้จิตเป็ดมิหารธรรมคืออย่างนะคะ อ, อย่างถ้าสมมติเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยอโอเคนะคะนี่พอจะเห็นจิตไม่ใช่เรามันไม่ใช่มันเหมือนพูดมมันยังไม่เห็นตอนนี้ เ, เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยหเห็นง่ายพระพุทธเจ้าบอกนะบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะ แต่ว่ามีแต่คำสอนในธรรมวินัยของท่านเนี่นะยถึงจะสอนให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้การที่เราเห็นจิตไม่ใช่เราได้เนะี่ยเพราะเราดูของจริงลงไปเ้วยมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันทำงานได้เองก็ดูไปจนจิตมันยอมรับตอนนี้ยังไม่ยอมยะมาโหด้วยซ้ำไป <laughs> ใช่ไหมกราบมนัสการหลวงพ่อครับ คือผมติดสมถะครับนะฮะแล้วผมเลิกประมาณสักสองปีครับแต่สมถะเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ถ้าเราไปติดมันเราก็เดินปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ติดนะเดินปัญญาได้แล้วทำสมถะเป็นที่พักได้กำไรผมก็ทิ้งรับทีนี้มันจะติดผมนี่มันต้องดูกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับ แต่ตอนนี้มันไม่ยอมไม่ยอมดูตรงกายมันจะมาดูที่ความเคลื่อนไหวข้างบนนะฮะไม่เป็นไรเราก็ดูไปนะครับก็สรุปแล้วยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะยฮะไม่เหมือนเดิมหรอกถ้าเหมือนเดิมมันแสดงว่ามันเที่ยงสังเกตไหมว่าขันมันแยกไหมมันแยกออกเออมันแยกออกแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมได้ไงล่ะเวลาไปเพ่งไวแล้วมันเป็นก้อนเดียวกันครับใช่ ตอนนี้เราหยุดการเพ่งจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันก็เห็นขันกระจายตัวออกไปพอขันมันกระจายตัวออกไปแต่ไปเนี้ยดูแต่ละขันเขาทํางานของเขาได้เองเห็นไหมันตอนนี้มันอัดอัดอยู่เอออัดอยู่ก็รู้ทันนะใช้ตัวนี้ก็ไใครคุยกับหลวงพ่อก็อัดทั้งนั้นแหละอผมใช้แบบนี้ได้นะครับคือรู้ทันรู้ทันครับกลับกับหลวงพ่อที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ ขันแยกออกไปแล้วกาบนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะย ม, ยมปฏิบัติโดยการที่ปัจจุบันนะคะพระอาจารย์ยมจะใช้วิธีสังเกตจากจากลมหายใจที่เปลี่ยนและยมจะเห็นอารมณ์อื่นที่ที่ที่มันมันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยที่นี้เวลาสังเกตจากลมหายใจของยม ยมจะเห็นลมหายใจที่บางทีก็สั้นบางทีก็ผ่อนคลายบางทียมก็รู้สึกอึดอัดอย่างบางทียมพูดยมจะเห็นลมหายใจที่มันกั้นหรือบางทียมตั้งใจฟังใครยมจะเห็นลมหายใจที่เปลี่ยนก็คือมันจะมีความอึดอัดหรือว่าถ้าเข้าไปในความคิดหรือเข้าไปในอารมณ์ยมจะสังเกตจากลมหายใจและทีนี้ยมก็ไม่แน่ใจว่า วิธีการปฏิบัติของโยมตอนนี้โยมก็ยังมีความสับสนโยมโยมจะใช้การปฏิบัติหลายหายแบบคือเราดูจิตตรงๆไม่ได้นะเราสังเกตมาจากการเปลี่ยนของการหายใจก็ได้ <Okay. S 1> แต่ต่อไปพอเราชำนาญขึ้นเราจะเห็นเห็นตัวจิตได้โดยไม่ต้องไปผ่านลมอย่าเวลากิเลสเกิดสังเกตไม่ลมมันจะเปลี่ยน เรื่โทรศัพท์เกิดแนะล้วหลบแม่เจ้าค่ะยอมสังเกตเ อ, อ่นะทีแรกเรามองจิตไม่ออกเราอาศัยการดูลมหายใจทําให้รู้ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนเจ้าค่ะต่อไปเราจําสภาวะของความรู้สึกได้แม่นเราไม่ต้องไปดูลมหายใจหรอกเราก็จะเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนได้เองเรื่องเบื้องต้นจะเห็นลมไปก่อนก็ไม่เป็นไรมีอีกอย่างค่ะอาจารย์โยมชอบ ชอบฟังเทปหลวงพ่อมากทีนี้ย ม, มสังเกตอยู่ที่ไหนหลวงพ่อประโมทเจ้าค่ะเนื้ฟังเทปหลวงพ่อมากยอมยมสังเกตนะคะโยมจะเป็นคนค่อนข้างเครียดถ้าถ้าเครียดจากงานหรือเครียดจากตัวเองนะคะถ้ายมได้ฟังเทปยมจะรู้สึกดีแล้วก็โยมจะเปิดเทปหลวงพ่อฟังทุกคืน น้อยครั้งมากที่จะไม่ได้ฟังนะคะล้ตั้งแต่วันสิบเจ็ดนะคะจนถึงปัจจุบันที่นิยมจะเห็นอาการของตัวเองเวลาที่ฟังเทปหมายความว่าเวลาหลับลงไปถ้าโยมตื่นโยมจะจะกลับเข้ามาตรงเสียงหลวงพ่อเหมือนเหมือนโยมจะฟังหลวงพ่อแล้วก็ทำความเข้าใจกับที่หลวงพ่อสอนโยมโยมทำเช่นนี้นี่ถูกัหยคะาะไม่ผิดหรอก ทำไปได้นะก็ะตื่นขึ้นมาแล้วจิตเราเป็นไงเรารู้ทันเลยเ้า่ะมีหลายคนอนอนไม่หลับก็ เ, เปิดซีดีหลวงพ่อแล้วก็หลับดีบอกเราฟังไม่รู้จะภูมิใจดีไหมก็ย่อมจะเห็นอาการวูบของของจิตขึ้นมาออก่อนก่อนที่จะเปิดเทปมันเหมือนออจะบอกว่าจิตเขาชอบเนี่ยออนั่นแหละดีเห็นได้ละเอียดเช่ ดีหลวงพ่อเปิดที่แนะยมกับการปฏิบัติให้โยมด้การปฏิบัติมไม่มีอะไรมากหรอกนะรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นใจเรากังวลใจเราเครียดขึ้นมาเรารู้ทันนะใจเราผ่อนคลายเรารู้ทันสังเกตไหมเ mm hmm. วลามันเครียดพอเรารู้นะก็คลายเดี๋ยวคลายเดี๋ยวเครียดนะก็สะแสดงความไม่เที่ยงเหมือนกัน แม้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ดูแบบเดียวกันจนะเนเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชว่วคราวดูไปเรื่อยนะจนจิตมันยอมรับว่าทุกอย่างเป็นว่วคราวยกมีปัญหาอีกอย่างคะ่ะเจ้าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือจิตถ้ามันเจอความเครียดที่มันไม่ชอบมันจะหนีอย่างเดียวเลยอไม่นหนีหนีแบบรุนแรงด้วยคะ่ะเอออย่าอย่างนี้นะทุกข์ไม่ได้ไว้หนีหรอกทุกข์เอาไว้รู้ อาไว้เรียนเดี๋ยวเห็นความจริงนะโลกนี่ไม่มีอะไรเลยโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าจิตเห็นได้อย่างนี้จิตจะคลายความยึดถือออกอย่าไปนหนีไปเลยหนีไม่รอดหรอกโยมก็พยายามบางทีโยมจะใช้แอบสวดมนต์ช่วยตัวเองอบางทีโชมใช้กาความปลอบใจช่วยตัวเอง อ, อย่างนี้ยังไม่ตรงทางใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างนั้นใช้ได้เจ้ามันก็ต้องรู้จักเชียร์ตัวเองก่อนเจ้าค่ะบางคนมันชอบด่าตัวเองนะ ดาทุกวันเลยจนใจฝ่อไปเลยจนะต้องเชียร์ตัวเองเป็นเหมือนกันแต่บางคนเอาแต่เชียร์นะแต่ไม่ยอมภาวนาพวกนี้ยิ่งแย่หนักไปอีกที่ทําอยู่ะยนะดีแล้วทําถูกแล้วนะไม่ทําอีกเวลาใจมันไหลไปเราคอยรู้ทันใจมันหนีไปเวลามันคิดมันก็หนีไปคิดเวลาเราจะปฏิบัติทามันก็ส่งจิตไปดู จิตมันเคลื่อนไปดูให้เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปไมงั้นจิตมันเคลื่อนไปแล้วไปแช่อยู่นั่นไปดูอยู่นั้นไกลๆล้วก็ดูไปเรื่อยนะเรานึกว่าเราปฏิบัติอยู่จริงจิตออกนอกไปแล้วธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเออตอนนี้รู้สึกว่ามันมันแบบออกไปอยู่ห่างๆอะคะ่ะแล้วก็มันก็มีความสุขเออนี่นห่างมากไป กลับมากมันอยู่ที่กายที่ใจนี่แต่สติมันก็เกิดบ้างแต่มันไม่ไม่ไมมันมันไปอยู่ข้างนอกนะใจมันจะไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกนะใช่งั้นไม่ดีหรอกต้องย้อนกลับเข้ามานะมาดูร่างกายบ่อยๆร่างกายพยักหน้าร่างกายยิ้มร่างกายเดินอะไรี้คอยรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆจะปล่อยให้จิตมันสบายเพลินแล้วว่างๆไปทั้งวันทั้งวันนะ ล้วอยู่ตรงนี้นานไปตายไปไปเป็นผีใหญ่นะคะนะคอยรู้สึกที่กายบ่อยๆะนะไม่ยากหรอกอย่าไปติดในความสุขตรงที่มันโล่งว่างออกข้างนอกเนี่ยมันจะมีความสุขมันเป็นเหยื่อเป็นกับดักเราเราไปติดในความสุขตรงนี้แล้วเราจะไม่มาเจริญปัญญารู้ทุกข์ไม่มารู้กายรู้ใจต่อ น, นเราจะไม่เข้าถึงมรรคนิพพาน ที่สติมันเกิด น, นี่มันยังไม่ถึงฐานใช่ไหมใช่จิตไม่ถึงฐานค่ะจิตมกระจายออกนอกงั้นหนูก็ต้องทําสมาธิมากขึ้นเหรอคะรู้สึกตัวเรื่อยๆน ะ, ะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกมันจะค่อยกลับเข้ามาถ้าเรารู้ทันว่าจิตออกนอกจิตจะเข้าฐานเองถ้าจงใจว่าไปนั่งสมาธิแล้วหวังว่าจิตจะเข้าฐานยไปนั่งบังคับจิตยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกขอบพระคุณค่ะ กับน้มัากบ้านหลวงพ่อก็เจหลวงพ่อแล้วเหมือนกับเจอพ่อกแมท่ที่แท้จริงค่ะโอ้อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเรา <c oughs> หลวงพ่อตรวจสอบอยากแม่เคยส่งการบ้านจะส่งเป็นครั้งแรกอืมก็เห็นทุกมากกับทุกน้อยอืก็อยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะด้วยจิตขณะนี้เป็นธรรมชาติไหมจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนจิตเป็นปกติ เหมือนขนานี้เลยเหมือนขนานี้ค่ะโอ้๋ย่าไปบังคับมันให้นิ่งนะตอนนี้รู้สึกแน่นๆ่นบ้างไหม ก, ก็มีก็มารู้สึกนะถ้ามันแน่นอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเราบังคับอยูอนะ่เราปล่อยถ้าเราบังคับอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาเวลากระทบอารมณ์นะจะนิ่งๆอยู่อ่างเงี้ยแล้่เฉยๆไปทั้งวัน แทนที่จะเห็นว่าความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้ ว, ไ ป, ว, ลวไปนะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรมาอะไรไปมันจะนิ่งๆแล้วเราอย่าไปเพ่งอย่าไปอัดไหมแต่มันเห็นมันกับเห็นกายเกิดดับเวทนาเออนั่นเสร็จมันเห็นตัวนี้เที่ยงนะไอ้ตัวที่ดูอะ่ะมันเที่ยงกายมันไม่เที่ยงมันเหลือตัวหนึ่งเที่ยงอยู่ต้องทําลายตัวนี้นะใช่คือยังไม่ถึงขั้นทําลายนะแต่ว่าอย่าไปจับตัวนี้ไว้แข็งๆนี่เรไปจับตัวรู้ไว้แรงไป อพอเราจับตัวรู้ไว้เนี่ยตัวรู้เลยเที่ยงตัวอื่นไม่เที่ยงเหมือนนับปฏิบัติ บ, ตบางคนนะสอนกันบอกว่าจิตผู้รู้เที่ยงครูบาอาจารย์สอนมาอีกทีนะว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นวิชฉาทิฏฐิทันว่างั้นนี่จริงมันไม่เที่ยงหรอกนั้นเวลาปล่อยให้ขันทํางานนะอย่าไปสงวนตัวหนึ่งไว้ให้มีจิตผู้รู้แต่ว่าไม่ไปประคองมันไว้ ยังไม่เก็ตนะครัะยังไม่เก็ดนะไม่เป็นไรเราถ้าอาจารย์ฮูกจะอัดไว้นะยังไปฟังซ้ําครับครับขอบพระคุณครับคือเวลาที่เราบังคับจิตนะประคองจิตเอาไว้บังคับจิตเอาไว้จิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งเราไปเห็นร่างกายไม่เที่ยงแต่จิตนี่เที่ยงมันยังไปสงวนรักษาขันตัวหนึ่งเอาไว้ให้มันเที่ยงอยู่ เวลาที่บุคคลจะบรรลุโสดาบันหรือจะถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยท่านเห็นขันทั้งหมดนั่นแหละไม่เที่ยงท่านไม่ได้สงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้นะงั้นถ้าเรายัางสงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้ให้เรารู้ทันซะงั้นไม่จะนิ่งอยู่นั่นแนั้นน่นแน่นอยู่เออปล่อยออปล่อยตัวนั้นอย่าไปอัดไว้กลางหนะ้า อ, อกมันแน่นกราฟนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะหนูก็ได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อ มานานพอสมควรนอะนะคะจริงๆวันนี้ก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้ส่งกันบ้านอพอเขาเรียกก็รีบวิ่งเข้ามามค่ะก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าหนูติดจมแช่ อ, อยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บางทีก็จะเพ่งมากเลยะค่ะมันเหมือนกับมันสุดโตงนะคะหลวงพ่อไม่ไม่มากแล้วล่ะ หนูไม่แน่ใจบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกไหมพถูกสินะค่อยๆทำไปด้วยดูกายทำงานดูใจทำงานดูไปอย่างสบายๆดูไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแค่ว่าได้ดูก็ดีแล้ว เราไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะเมตตาให้คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติของอุปได้ไหมคะก็ฝึกไปอย่าใจร้อนนะไม่จะได้อะไรเมื่ อ, อไรอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจเราได้มีความสุขแล้วในปฏิบัติเนี้ยก็ดีแล้วมีความสุขอยู่แล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานดูเขาทำงานไปเรื่อยๆดูสบายๆใจลอยรู้จักไหมใจลอยรู้จักค่ะลอยบ่อยไหม ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันอนานไหมแล้วแต่ค่ะบางทีก็นานบางทีก็ไม่นานดีต่อเป็นใจรักบางคับไม่ได้เนี่ยนะอย่าให้นานก็แล้วกันน่าเกลียดเวลานานเรารู้บ่อยๆใจไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะค่ะการที่หลงแล้วรู้หลงเรารู้เนี่ยดีกว่ารู้รู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆนะหรือคนในโลกนี่ยมันหลงตลอดมีแต่หลงหลงหลลงก็เห็นว่าจิตมีอย่างเดียวคือจิตหลงหลงอยู่งั่นแหะ การที่เรามีจิตรู้ก็มาขั้นเป็นช่วงๆมันจะทําให้จิตหลงและขาดเป็นช่วงๆในส่วนเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้การที่เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้ไปเรื่อยๆนะถึงปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าเกลียดจิตหลงรักจิตรู้ไม่ใช่จิตหลงกับจิตรู้เท่าๆกันเราไม่ได้เอาตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เกลียดอีกตัวหนึ่ง แต่คน<อ>ในโลกนะมันไม่มีจิตรู้ไงั้นเขาไม่เคยเห็นจิตเกิดดับแล้วก็หลงอย่างเดียวเลยหลงหลงหลงหลงหลงน้ําคงที่อนั้นรู้สึกจิตเที่ยงการที่เรามีจิตรู้เกิดขึ้นนะั้นมันทําให้จิตหลงนะขาดเป็นท่อนๆจะเห็นนะจิตหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้สุดท้ายปัญญามันเกิดจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอารู้นะคนชุดดนะําเนี่ย รู้จักใจลอยไหม <c oughs> ะนะรู้บ่อยๆนะนรกสกานเจ้าค่ะหลวงพอ่อตื่นเต้นค่ะเออ่ น, น <c oughs> จิตโยมกลัวหลวงพอ่อโ่หลวงพ่อไม่ดูหรอกโ <c oughs> ออยมก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีพอประมาณก็อ่านหนังสือด้วยค่ะแล้วก็ มีอยู่วันหนึ่งโยมไม่สบายค่ะไม่สบายแล้วก็โยมก็ไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็โยมก็ภาวนาไปด้วยแล้วก็โยมก็หลับไปและทีนี้จิตโยมก็ไปเห็นร่างกายของของโยมอนอนโกลนแล้วก็ยกมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็จิตโยมก็ไปเห็นร่างร่างกายตรงที่หน้าอกแล้วก็มาถึงท้องอ แล้วก็มีเตซี่โครงอะคะอ่ะตรงนี้แล้วก็โยมก็คิดไปถึ ง, งคําพูดของหลวงพ่อที่ว่าเออมันเป็นกายมันเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาโยมก็คิดอย่างนี้แล้วก็โยมโยมก็พิจารณากายของโย ม, มแล้วก็ถ้าอย่างนี้ถือว่าโยม เกิดปัญญาไม่เจ้าคะคือเกิดสิเกิดนะขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะิมันจะเห็นจริงๆนะมันเห็นในร่างกายมันนอนอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเจ้าค่ะมีแต่ตัวทุกข์ดีเห็นในนั้นดีเจ้าค่ะแต่ถ้าอยากให้เห็นอีกมันจะไม่เห็นนะอยากค่ะตั้งแต่วันนั้นมาโยมก็ภาวนาอยากได้อยากได้มันอีกก่ะเจ้าค่ะถ้าอยากสิไรไม่เห็นหรอถ้าหมดอยากถึงจะเห็น ขอหลวงพ่อช่วยชิ้นนียค่ะดูไปสบายๆนะถึงเวลามันก็เห็นอีกอแต่ถ้าอยากเห็นมันจะไม่เห็นหรอกดูไปได้่นะทำทำอย่างนั้นแห ล, ละดีแล้วฮโม่ทาฮพวกเราเยอะนะถ้าเดี๋ยวเวลามันน้อยหลวงพ่อตรวจกันบ้านได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าหลวงพ่อมีทีมงานมานะงั้นเดี๋ยวช่วงหลวงพ่อ สนทนาธรรมกับพระอะไรเงี้ยพวกเราก็ไปคุยกับทีมหลวงพ่อได้แต่ละคนเขาก็เก่งๆนะบางคนเก่งแบบแปลกประหลาดเลยนี่เป็นนั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่งในหลังคาเขียวๆนะั่นนก็ไปแยกวงถามกันเองกั น, กนอ่าเก่าธรรมสรการ์ครับเอ่อ รู้ให้รู้อะครับแต่ตอนที่ดับไม่รู้อะครับเกิดจากอะไรครับคือสติเรายังไม่พอเนะบืบ้องต้นเราเห็นมันเกิดขึ้นมานะแล้วมันเปลี่ยนอารมณ์ไปยังไม่ทันจะเห็นมันดับมันเปลี่ยนเรื่องไปก่อนอันนี้สติเรามันไม่จับอยู่ในเรื่องนี้หนีไปที่อื่นละแต่ว่าพอฝึกไปมากๆเนี่ยจะเห็นเกิดแล้วดับเกิดแลดับ พอฝึกชำนี้ชำนานไปนะมันจะชอบดูที่ดับนะอะไรไหวขึ้นปั๊บดับปั๊บดับปั๊บดับเลยดับนี่จะเด่นมากเลยเนี่ยยิ่งฝึกไปดับจะยิ่งเด่นขึ้นตอนแรกๆสติเรายังไม่พอเห็นมันเกิดขึ้นมานยังไม่ทันจะเห็นดับมันเปลี่ยนเรื่องไปเกิดอีกเรื่องละค่อยๆฝึกบังทรงการบ้านนะครับที่ปฏิบัติมาใ้ถูกต้องก็คือยังสติไม่พอใช่ไหมครับ ก็ต้องฝึกไปเรื่อยนะคถ้าสติสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์เลย ก, กาบนาฏสแกนผู้จารย์ค่ะคือเวลาเรานั่งสมาธิไปสักประมาณสักสามสนาทีนี่ก็จะเกิดเห็นเหมือนพบตัวเองชาติที่แล้วเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสป็นศัตรูเป็นเสืออะไรแบบนี้ค่ะทําให้ร่างกายเราอยากจะทําท่าเหมือนอที่เราเห็นนี่ค่ะให้เรามีสติไว้มากๆนะ ย่ะขาดสติไปเดี๋ยวความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาสัญญาเก่ามันเข้ามาครอบเราเพราะนพยายามรู้สึกไว้่ะก็คือคื อ, คอสัญญานี่ก็คือ อ, อ, อันเก่าเราเป็นใช่ไหมคะไม่เอาอเป็นไม่เป็นไม่เอาเรื่องอะไรเราอย่าต้องไปร้องโห o กหรอกคือเป็นทุกครั้งคะ่ะเราทํ า, า, าแล้วก็จะเห็นยังนไงคะ่ะเราพยายามรู้สึกตัวคใครรู้กายคอรู้ใจของเราลงปัจจุบัน ตอนนี้เรากาลังนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเงนี้ไม่ได้เป็นเสือเป็นสางที่ไหนใจมันอยากร้องโ h o กแล้วอยากจะเป็นเสือแล้วรู้ทันว่าใจมันอยากเป็นเสือแล้วอย่ารู้กายรู้ใจของเราไปได้่นะอย่าให้ความรู้สึกอย่าให้สัญญากเก่ามันครอบได้ขอบพระคุณครับกลับด้เยพระการสงพ่อนะครับคือผมเนี่ยฟังซีดีมานานนะครับแต่ว่า เท่าที่คิดเองเนะี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะไม่มีกําลังหรือว่าฟุ้งซ่านก็จะทำหลวงพ่อสองข้อนะครับข้อแรกคือว่าตอนที่หลวงพ่อแนะนําให้ทําในรูปแบบอะฮะที่หลวงพ่อบอกว่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนี่คือต้องทําทั้งสี่อย่างหรือเปล่าครับอันนี้ก็นะวันไหนทําอะไรไม่ไหวนะเขาไหว้พระสวดมนต์ไปนะทําที่คิดว่าที่คิดว่าเกิด ตัวรู้ตัวดูอันนั้นที่ถนัดใช่ไหมครับคือจุดสําคัญเนี่ยทาฝึกไปให้มันมีสติครวรา่ายพระสวดมนต์ไปขี้เกียจ ร, รู้ว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือเห็นร่างกายมันสวดมนต์ใจเราเป็นคนดูถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ดีแต่ถ้าวันไหนไม่มีแรงนะก็ตั้งใจสวดมนต์คิดถึงพระไปไม่ได้คิดถึงกายถึงใจของเรานคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยคิดไปได้ ใ, ใจเราสงบใจเรามีความสุขได้สมถะ นการทําในรูปแบบเนี่ยทําสมถาก็ได้นะทํามิปั ส, สนาก็ได้เีงแต่การทําในรูปแบบเนี่ยมันแตกต่างกับการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนี้ในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยเรากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารแต่ตอนที่เราทําในรูปแบบเนี่ยเราตัดบางทวารไปทางตาเราก็ไม่ได้แส่สายไปในหูเราไม่ได้ไปฟังอะไรงานหลักมันจะมีอยู่ที่ทวารใจ งั้นรคยรู้ทันใจของเราเวลาทําในรูปแบบครับคำถามที่สองหลวงพ่อตอบไปแล้วครับก็จะจะถามหลวงพ่อว่าผมฟังซีดีมานานอยากใช้สลวงพ่อช่วยแนะนําว่าผมควรจะแก้ไขตรงไหนไหมครับที่<ห>ทําอยู่<ห> <hips? S 2> ดีแล้วละครับคอยรู้ใคอยดูด้วยได้ครับเ<ๆ>ซลจัดไหมครับเออให้รู้ทันเั่นลยครับครับครับหลวงพ่อครับกาบกับนรัสกาหลวงพ่อร <S <S ครับ ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีนะครับหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูกายบ้างอครับแล้วช่วงหลังนี้กลับมาสนใจเรื่องดูจิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นเมื่อช่วงที่ผ่านมาเห็น ถ, <ม>ถ้าเราดูกายชํานานนะจะเห็นจิตชัดนะครับงั้นบางคนถ้าติดสมาธิมาก่อนเนี่ยหลวงพ่อจะชอบให้ไปดูกายเพราะพวกที่ติดสมาธิเนี่ยไปดูจิตจะดูไม่ได้มันจะนิ่งๆนี่พอดูกายมาพักหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นจิตชัดขึ้นก็มาดูจิตต่อได้ ไม่แปลกอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ผมก็ดูจิตไปเรื่อยๆนะครับดูจิตจิตมีอะไรให้ดูก็ดูนะเราสร้างกายเคลื่อนไหวอะไรก็ดูครับรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแล้วไม่รู้แต่จิตอย่างเดียวได้ไงเรามีทั้งกายทั้งจิตครับแล้วช่วงนี้บางครั้งเวลาที่กราบพระเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามือเราไม่ใช่มือเราเออเนั่นแหละดีอันนี้ผมเห็นถูกแล้วใช่ไเป็นถูกแล้วล่ะแต่และเราไม่ได้จงใจ ค, คิด มันเห็นเองมันรู้สึกเองรู้สึกเองแล้วเข้าใจเราตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วพรอกราบพระแล้วทําอะไรนั่นจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกบางคนแปลงฟันอยู่นะเห็นแขนอยู่เนี่ยขยับอยู่นี่ไม่ใช่เราตอนสวดมนต์บางที่เห็นปากพะงาพะงาเนี่นั่นแหละนั่นแหละหันยังนั่นแหละมันผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็ทาสม่ําเสมอผมใช้ได้หรือจะไม่ใช่ไหมครับใช้ได้สิเห็นขันมันแยกแล้วนี่ขันมันแยกดูขันมันทํางาน ครับผมครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อครับกราบขอบพระคุณในคําชี้แนะของหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อช่วยนําปฏิบัติภาวนาสักสิบนาทีเจ้าค่ะฮะทั้งสิบนาทีเชียวหรอแล้วแต่หลวงพ่อจะเม่ต้านนะคะภาวนาวทํากันทั้งชีวิตให้ทำสิบนาที <c oughs> หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อแนละ้วการภาวนาการปฏิบัตินะทําตลอดชีวิตนะอยังไม่ทำสิบนาทีไม่ได้หรอกเพราะงั้นนั่งอยู่รู้สึกตัวอยู่นะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยิ้มอยู่กระดุกกระดิกอยู่รู้สึกไปหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจเข้าก็รู้สึกไปมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายของเราเนื่งเนืองคนไหนถนดัดดูจิตดูใจก็ดูจิตดูใจไป คนไหนดูจิตไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจดูไปไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้คนไหนไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตนั่งอยู่เนี่ใจหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้ทันเม่อใจมันหนีไปแล้วคิดไปแล้วเกิดสุ ก, ด ก, ดกก็รู้ทันเกิดเกิดทุกข์ก็รู้ทันะให้หลวงพ่อนำภาวนาพร้อมๆกันทั้งหมดเนี้มันทําไม่ได้หรอกแต่ละคนทํากรรมฐานไม่เหมือนกันนะ งั้นเอาหลักเอาหลักไปนะเราไปทาเอาแต่ละคนก็มีกรรมฐานที่ไม่เหมือนกันทางใครทางมันทางอีสานนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกบอกว่าคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวคือจะไปกินน้ำบ่อเดียวกันอนะเดินทางเดียวนะไม่เหยียบรอยกันของเราทุกวันนี้เดินก็คนละทางแต่ชอบเหยียบเท้ากัน จริงๆแล้วเดินทางเดียวกันนะทางของศีลของสมาธิของปัญญาแต่ไม่ซ้ำรอยกันอย่างการภาวนาบางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันบางคนดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตวิหารธรรมแตกต่างกันงั้นทางไหนก็ได้ วิธีใดก็ได้นะถ้าทำแล้วสติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นงั้นเราภาวนาหารูปแบบที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อหัดอนาปนาสติหัดหายใจไม่จะชำนาญเรื่องอนาปนาสติชอบจิตมันชอบอนาปนาสติเวลาต้องการความสงบนะหันมารู้ลมหายใจไม่กี่ทีก็สงบลนะ จิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจมีคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาดูลมหายใจส่วนเคขั้นเจริญปัญญานหะลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการดูจิตเคยดูกายทําสมาธิมานะแล้วก็ไปดูกายดูนาทีเดียมระเบิดไปหมดละไม่มีจะให้ดูกลายเป็นแสงสว่างไปหมดเลยลก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อไปอไอเจอหลวงปูดด่โดนท่านสอนให้ดูจิตไปต่อได้ นี่ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อดูจิตทุกคนลูกศิษย์หลวงปู่ดูดูกายก็มีนั่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทั้งใครทั้งมันไม่มีดีมีเลวกว่ากันหรอกทําแบบไหนแล้วสติเกิดเราทําแบบนั้นทํายังไงแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราทําอย่างนั้นทํายังไงแล้วเราเห็นธาตุเห็นขันมันแยกจะแยกกายกับใจก่อนก็ได้จะแยกความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตใจก็ได้ แยกรูปธรรมกับนามธรรมก็ได้แม้นามธรรมกับนามธรรมก็แยกได้แล้วก็แยกไปแต่สุดท้ายจะลงไปที่เดียวกันจะลงไปถึงอันเดียวกันวิธีหลากหลายในการปฏิบัติแค่อนาปนสติอย่างเดียวนะถ้าเราชํานาญอานาปนสติจริงนะเพราะว่าอัศจรรย์มากเลยอานาปนสติอันเดียวเนี้ครอบคลุมกรรมฐานเข้าไปเกือบหมดละมั้งสารพัดกรรมฐานอยู่ในอนาปนสติเนี่ย อนาปนาสตินะเอาไว้ทําสมถะทําสมถะได้ตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิก็ได้พลิกไปเป็นกสินไปเล่นอภิญญาก็ได้ะน ะ, ะน อ, ยอย่างกระลมหายใจนะพลิกไปทํากสินนี่กงได้กระสินลมกรลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นกลายเป็นแสงใช้กสินแสงต่อก็ได้จากกระสินแสงนะั้นจะน้อมจิตไปในทางออกรู้ออกเห็นอะไรก็ได้นะ จากอนาปนาสตินะออกนอกรู้นอกทางไปเลยก็ได้จากอนาปนาสติเนี่ยจะมาเดินปัญญาต่อจะมาดู ก, กายก็ได้เห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดดับไปนี่ใช้เวทนาละมีเวทนามีความสุขเกิดขึ้นนะราคะแทกมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะแทกนี่ขึ้นมาจิตตานุปัสสนาละ เราจะเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายนะั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ไดนะ้ทั้งรูปธรรมนามธรรมาหายใจไปแล้วก็เห็นแยมแจ้งขึ้นมา น, นี่ขึ้นไปทำมนุปัสสนาล้วงั้นอนาณาปนาาสตินะั้นนอกจากทําสมถะได้ทั้งคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิธรรมอภิญญาจิตทําอะไรต่อไปแล้วมาเตือนปัญญาได้ทั้งสี่ฐานฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ฐานธรรมก็ได้ อน า, าปนสตินั้นจะเดินปัญญาโดยการใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ปัญญานำสมาธิก็ได้สมาธิและปัญญาควบกันเลยก็ได้นะเนี่ยสมาธิกับปัญญาควบกันในหายใจไปนะเข้าอุปจารสมาธิถืออุปจารสมาธินะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นสภาวะธรรมเกินดับขึ้นมากลางอกเห็นบางสิ่งไหวๆขึ้นมาในกลางหนะ้าอกได้นะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ ไม่รู้ว่าคืออะไรนะจิตนังทรงสมาธิอยู่นะมันเดินปัญญาอยู่ในสมาธิอยู่ถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตไปเดินปัญญาในอันปปนาสมาธิมันจะเห็นอะไรอย่างมีปีติขึ้นมานะสติะระลึกรู้ทันนะปีติดับนะมีความสุขโดดเด่นขึ้นมามีสติรู้ทันนะความสุขดับนะเห็นไหมสภาวะธรรมเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเฝ้นะารู้เฝ้าดูลงไปนะกระทั่งทาเจริญปัญญาในฌานนะ ยังทําได้เลยนะกรรมฐานนะเป็นเรื่องอัศจรรย์นะยิ่งอานาปนสตินะโอ้สุดประหลาดเลยครอบค ล, บลุมกรรมฐานน า, นานาชนิดไปเยอะแยะเลยเนี่หลวงพ่อเล่นนานาปนสติมาแต่ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ทุกคนต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมคนไหนถนัดท้องพองยุบมาก่อนก็ดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบบางทีเป็นสมถะบางทีขึ้นเดินปัญญาได้อยู่ที่วิธีดู ถ้าดูแล้วจิตสงบลงไปที่ท้องไม่หนีไปจากท้องเลยนะได้สมถะถ้าดูท้องผองยุบไปจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เดินปัญญาแล้วดูท้องผองยุบไปมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นหรือว่ามีปีติมีความสุขเห็นปีติสุขเกิดแล้วดับไปนี่ไปเดินปัญญาอยู่กันแล้วไม่กรรมาฐานเนี่ยแต่ละคนนะเลือกเอาที่เราถนัดที่เราทําได้แต่หลักนั้นเป็นอ e ันเดียวกัน หลักของสมถะก็คือจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้บังคับไว้มันมีความสุขในอารมณ์ น, นั้นมันก็อยู่กับอารมณ์ น, นั้นหลักของวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะใช้วิธีใดนะก็อยู่ในหลักกันเดียวกัน ม, มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะดูอะไรก็ได้แต่มันอยู่ในหลักอันนี้แหละถึงบอกว่าเป็นทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันหรอก งั้นเราทำกรรมฐานนะเราดูทางที่เหมาะกับตัวเราเองอันไหนทำแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดเราเอาอนั้นแหละดีสำหรับเราดีสำหรับเราไม่จำเป็นต้องดีสำหรับคนอื่นงั้นถ้าเราทำอย่างนี้เราอย่าไปว่าคนที่ทำต่างจากเราอย่าไปบอกว่าเขาทำผิดนะเขาก็ถูกอย่างของเขาเราก็ถูกอย่างของเราถ้าเขามาว่าเราทำผิดก็ไม่เป็นไรนันความเห็นของเขา คนหลายคนนะกินน้ำบอ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันรอยยังไม่เหยียบเลยอย่าไปเหยียบเท้ากันนี้ล้กัน <c oughs> อา้าวพหมดยังค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกท่านพึงสำรวมกายวาจาใจให้เป็นบุญนะคะเพื่อการน้อมถวายปัจจัยและเครื่องไรยธรรมทั้งหมดแกหลวงพ่อ ขอให้น้อมจีตตามนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมชโชกขอลงหลวงพ่อจงรับปัจจัยและเครื่องไทยธรรมพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการลนานเทิน ยะถาวะริวะหาปุราปริภุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปะปติอิชิตังคติตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโควินัสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังวุทาปจายิโนจตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังสาุ